เปลยนชีวิตคนทั้งคนคือฟังแล้วมันเครียด<笑>แต่ผู้พูดจะไม่เครียดกับการพูดและผู้ฟังก็ต้องฟังแบบสบายๆไมื่一งกันเราผมมาเล่าเรื่องบางสิ่อย่างให้ฟังแล้วก็ฟังธรรมดาโดยปกติแล้วเนี่ยมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งซึ่งทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง พุพทธพาติต์เน้นกล่าวไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเคยได้ยินไหมอันนี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ตายนะบางทไาีไม่ตายแต่เจ็บตัวไม่ตายแต่เจ็บตัวถึงเจ็บตัวยังไม่เพียงพอบางทีก็อาจจะ ที่การแบบสภาพยอย่างนี้ก็ได้บางคนโชคร้ายก็ตายไปเลยหมดบุญไปอันนี้เกิดจากความประมาทอย่างนั้นนนอกจากเวลาความระมาทเ ก, กขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีทุกข์เพียงันเดียวไม่ใช่หรอกคนที่รักเราก็คอยเป็นห่วงเราแล้วก็เป็นทุกข์แทนตัวเราด้วยเพราะนั้นความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกความประมาทคืออะไรคือการ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 อาจจะไปไม่รอดก็ได้สติคือความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวคือสภาพติ่จิตใจไม่เลื่อนลอยไม่เมื่อรลอยรู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สติรู้ว่าจิตใจเราเนี่ยคิดอะไรเลื่อนลอยไปไกลแค่ไหน เนี่ยคือธรรมชาติของสติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรากําลังทําอะไรกําลังคิดอะไรกําลังพูดอะไรเนี่ยคือเป็นความหมายของสตินะเยสติครับคาเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งต่อชีวิตเลยและมีอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่วัดแล้วอยู่ที่ในตาําราหรืออยู่ที่พระก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนะสําคัญนะถ้าเราขาดสติเนี่ย เรากลายเป็นคนที่เหมือนเมื็นคนที่ไม่มีชีวิตเลย<ม>เคยสังเกตไหมนะสติเนี่ยคือชีวิตถ้าขาดสติไปไหนแล้วก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเพราะอะไรเพราะจิตใจเราจะเลื่อนลอยเป็นอารมณ์ต่างๆองนี้เราบางท่านเนี่ยนั่งที่เนี่ยนั่งฟังตาแป๊ลโดยเหมือนจะเป็นการฟังแต่บางทีใจเราคิดไปนะคิดไปเรื่องอื่นนี่แต่เราขาดสติแล้ว เราไม่รู้ว่าล่าว่าเรากำลังฟังอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ที่ซ้ำไปนี่ว่าลืมเนื้อลืมตัวใช่ไคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นต้องประกอบด้วยกายกับจิตกายที่เราเห็นอยู่นี่แหะที่นั่งอยู่เนี่ยคือกายจิตซึ่งประกอบด้วยสติเนี่ยมันต้องอยู่กับอยู่ที่กันกายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันถ้าแยกกันอะไรแล้วก็ไม่ใช่คนละกายเป็นซากศพใช่ไหม สร้างศพเนี่ยไม่มีจิตเพราะฉะนั้นจิตกับกายต้องอยู่กันอยู่ด้วยกันแล้วสติเนี่ยเป็นตัวผูกผูกให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงหนึ่งชีวิตคือหนึ่งชีวิตนี่คนเราที่ขาดสติเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดคิดปรุงแต่งจิตใจเลื่อนลอยไปเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยความคิดเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยขาดสติ ไม่ได้อยู่กับเนื้อ <speakers>: กับต <Eagles playing> <UP> ัวเวลาเรานั่งเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งจิตใจก็คิดเวลาเราเดินมาเรดยนดูเวลาเดินนะเราเดินด้วยความเคยชินเราทำอะไรทำด้วยความเคยชินด้วยความชานาญแต่เราไม่เคยทำด้วยสติเราเดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินเดินไปคุยกันไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเดินหรอเพราะใจเราไปมุ่งอยู่กับการพูดคุยเดินไปโทรศัพท์ไป เราไม่อยู่กับการเดินเลยบางทีเดินเลยเดินเลยในที่ที่เราต้องการจะไปด้วยซ้าไปเพราะเราโม่แต่เลินกับการพูดคุยโทรศัพท์และที่สําคัญนะเดินข้ามถนมนคุยโทรศัพท์เนี่ยเห็นไ่มเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดิน <c oughs> เพราะจิตใจเราเลื่อ ย, ลอยไปกับการพูดคุยเนี่คือการขาดสติแม้กระทั้งเรากินเรากินอาหารเนี่ยบางทีเราก็เผลอนะอยู่กับการกิน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 อยากได้สีขั้นโบนัสสวัสดิการคิดไปแต่ว่าลืมงานในปัจจุบันที่เรากาลังทําอยู่ขาดปัจจุบันไปอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทํางานด้วยสติจิตใจจดจ่อกับงานเนี่ยเรื่อมันเกิดสมาธิถ้ามีสติแล้วจะมีสมาธิทําให้จิตเด็กจดเจ่ออยู่กับงานแล้วมันเพลินเพลินกับงานมันมีความสุขที่เราทํางานไม่มีความสุขเพราะว่า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 ถ้าแย่ yeah, ที่จะแก้ไม่ทันเนี่ยอันนี้สําคัญว่าการทําที่ต้นเหตุการป้องกันที่ต้นเหตุมีอยู่ข้อข้ อ, ขอหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือนอกจากการมีสติอยู่กับหน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องทําตามกฎทําตามกฎระเบียบที่โรงงานตั้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดอันนี้สําคัญมากเป็นการป้องกันการ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 ในโรงงานเนี่ยเห็นบ่อยๆเกือบทุกโรงงานเลยคือให้สวมหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยมีไว้ทำไมไว้ป้องกันศีรษะเลยไอ้ที่เห็นชัดตรงนี้เพราะว่าผมมีตัวอย่างของผู้บีการคนหนึ่งซึ่งน่าเสียดายนาคนกมากเลยเขาไม่ได้ทำลามกดของโรงงานเขาเป็นวิศวกรด้วยนะมีความรู้สูง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 รึ่งซี่เดินไม่ถนัดแล้วก็สมองนี่เบลอไปเลยเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภยัยแล้วก็ไม่สำรวจดูอุปกรณ์ที่นี่ซะก่อนว่ามันพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่แล้วตัวเองเลยเดือดร้อนจากวิศวกรที่มีอนาคตลุงโรนเนี่ยกลายเป็นคนพิการแบบช่วยตัวเองไม่ได้ลูกกับภรรยาต้ตองแยกไปลลกอีกที่หนึ่งเขาต้องไปทางานเลยลูกภรรยาทิ้งไปอีกที่หนึ่ง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 เพราะนั้นการทำงานเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อ่านตามกฎเขามีหลักอยู่ว่าต้องทตาตามกฎต้องมีจิตสานึกที่ต้องมีสติไข้ ค, ควรซะก่อนแล้วค่อยทำแล้วก็อย่าเสียยเส่ยงอย่าเสี่ยงและที่สำคัญอีกอย่างที่บอกว่าอีกสองข้อนะนะต้องคอยเตือนนะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยต้องคอยระวังคอยเตือน อันนี้เป็นหลักสําคัญเลยถ้าเรามีจิตสํานึกนทําตามอย่างเนี้อย่างเข่งทัดเนี่ยสักห้าข้อเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นในการทํางานอันนี้เป็นเซื่งความปลอดภยัยอันนี้คือภยัยภายนอกที่มาสู่ตัวเราแต่ผมจะเสนออีกอย่างหนึงคือภัยที่น่ากลัวนะก็คือเริ่มจากตัวเราเนี่ยไปภัยข้างนอกไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่ไปผิดพลาดเนี่ยไม่เป็นไร แต่ว่าตัวเราสําคัญมากภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแล้วนั้นผมจะมีภัยสามภัยที่พวกเราต้องระวังไว้ภัยสามมายตัวนี้กำลังคุกคามมากคุกคามกับคนทุกคนที่ไม่มีจิตสํานึกไฟไหม้น้ําท่วมผีหลอกมีสามภัยอยู่ตัวเราเนี่ยมียไฟไหม้มีน้ำท่วมมีผีหลอก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 วิธีการเลิกบุหรี่นี่ง่ายๆง่ายที่เดียวคืออย่าไปสูมันถ้าไปสูรับรองเลิกได้อ่ปาปากเขไว้มันสูไม่ได้แล้วเพราะมันเผาปอดเรามันมีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยเป็นภยัภยหนึ่งที่น่ากลัวนะบุหรี่เนี่ยเลิกเมื่อใดก็ควรเลิกอันนี้เป็นภัยหนึ่งอีกภัยหนึ่งเมื่อกี้นี้บุหรี่คือไฟไหม้ใช่ไหมน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ย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 ผิดสุลาข้อเดียวท่านเองสามารถผิดได้อีกสี่ข้อสุลานี่มันกล้าไม่ให้กล้าหาันกล้าบ้าบินเนี <c> ่ย <oughs> สำคัญนะผมเคยไปพูดในเรือนจนํานักโทษเรือนจําเนี่ยร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบห้าต้องดื่มสุลายอมใจซะก่อนจึงจะไปฆ่าเขาต้องดื่มสุลายอมใจซะก่อนทีจ่จะไปคมคืนก็ดื่มสุลายอมใจจึงไปลักขโมยครับ กล้าบ้าบิงสุราผมเรียกเสมอว่าเป็นน้ําปฏิทุสลายสติเป็นน้ํำนรกเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยมีคนบอ ก, กอะไรอยงี้ยนะบอกสุราเนี่ยเป็นน้าที่สุนัขไม่ดื่มโอ้ร้ายแรงมากเลยน้ําที่สุนัขไม่ดื่มเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเลิกได้ควรเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกอะ่ะแต่ วิธีการเลิกนะั้นง่ายๆเลยปลอดภัยไหมอขอหมที่ละภายหน่อยน่ากลัวคนทําเนี่ยไม่ค่อยชอบผมพูดวันนี้ถ้าเลิกไม่ได้เนยก็ควรจะเลิกนะวิธีการเลิกคือหยุดอย่าไปดื่ม อ, อย่าไปดื่มไม่ต้องดื่มนะรับรองเลิกได้ผมเคยอยาจะเล่าถึงประสบการณ์ของท่านท่านหนึ่งที่เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เนี่ยแล้วก็สามารถเลิกสุราได้ด้วย ผมให้เขาฝึกสติคนคนนี้แต่ก่อนเคยเป็นลูกศิษย์ผมต่อหลังบวชเป็นพระเลยเขาบอกเขาติดสุลากระทั่งต้องออกจากงานเนาะออกจากงานแล้วก็สูบุรีกระทั่งปอดเนี่ยไม่ดีที่ออกจากงานเพราะอะไรเพราะว่าก้าวร้าวพูดข้าบัญชาดื่มสุลาแล้วก้าวร้าวพูดบัญชาแล้วการทำงานเนี่ยไม่ค่อยดยีติดลาด เ, าเอาไปทำงาน ท่านจะเลิกท่านเลิกกล้าได้แล้วแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้บุหรีเลิกไม่ได้ก็เลยลงทุนบวชเลยเพื่อจะเลิกบุหรีเนี่ยมาหาผมที่บ้านนครสวรรค์บอกอาตมาจะเลิกบุหรี่ได้ยังไงบอกกูไม่ยากเลยอย่าไปสูบมันถ้าไม่สูบเนี่ยเลิกได้ทันทีเลยอจะทําไงจะไม่สูบอ่ะก็คือต้องมีสติฝึกสติกันแล้วึกติแล้วมันจะเลิกสูบบุหรีเลิกบีบเล่าได้ยังไงเลิกทําชั่วได้ยังไง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 เกิดความอยากมาท่างก็ทิ้งให้มีสติรู้กับการก้าวที่เท้ากับตัวืนไว้คือมาสนใจอยู่ตรงนี้แหละไอ้ความอยากมาความคิดแต่ให้พยายามมารู้สึกตรงนี้ไหมเวลาท่านมีสติไอ้ความคิดอยากเนี่ยมันก็หายไปแต่ขาดสติไอ้ความคิดอยากก็ดึงไปมีอยู่ครั้งท่านเผลอสติท่านเดินจงกรมอยู่ในลานจงกรมเนี่ย ท่านเผลอเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยนะเดินไปที่ย่ามเดินไปที่ย่ามเพื่อจะไปคว้าบุหรี่ขึ้นม า, ม า, ม า, ม า, มาเอามาดูเอวมาสูท่ารู้ตัวพอถึงย่ามปั้มรู้ตัวแล้วโอี่ขาสติเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยเพื่อจะไปหยิบบุหรี่ท่านเผลอตัวแล้วกตั้งตั้งสติได้มาเริ่มเดินเดินจงกรมใหม่แต่พว ก, กบอกว่าแล้วพระคุณเจ้าจะเอาย่ามไปทําไมอ่ะอาตมาต้องมีบุหรี่ไว้ก่อนเพื่อ ให้กำลังใจถ้าเวลาอาตมาอยากออกมาถ้าก็อาตอมาก็จะหยิบบุหรี่มาดมๆแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมไม่สูบดมก็ยังดีบอกถ้าท่านยังพก บ, บุหรี่ติดยาอยู่ท่านจะเลิกไม่ได้ถ้าอะไรตัดสินใจเดินจนกงกรมไปพอเดินไปทิ้งยางปรับคว้าบุหรี่ขว้างทิ้งเลยขว้างลง ไ, ไปในน้ำเจ้าไปยาเลยตั้งแต่นั้นตุ้งตระมาท่านเลิกสูบบุหรี่เลยท่านบอกว่าท่านเห็น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 ถ้าขอ็ให้เลขนี้แหละอยากได้ไม่เลขเด็ดถ้าให้ไว้เลขเด็ด ว, ว่ามีอยู่สามเลขเลขสองห้าแล้วก็แปดแล้วถ้าบอกว่าระวังเลขข้างเคียงแล้วศูนย์มาแรงด้วยเนี่ยให้แล้วนะสองห้าแปดระวังเลขข้างเคียงแล้วศูนย์มาแรงเลขข้างเคียงของสองคืออะไร หนึ่งกับสามเลขข้างเขียงของ5้าละ่สลขขสละสี่กับหเลขข้างเขียงของแปดล่ะเจกับเก้าศูนย์มาแรงครบเลยถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนนะใครไปหาท่านยังไงแบบเนี้ยให้บบเนี้ยเพราะนั้นไฟสามไฟระวังให้ดีนะเนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกบุหรี่สุราการพนันเลิกได้ดีมากเลย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 เพราะฉะนั้นการทํางานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีเนี่ยขอให้เรามีสติเป็นตัวหลักไลยเลยเพราะมีสติเราก็ทําตามกฎเพราะมีสติเราก็มีจิตสํานึกไค้ควรก่อนที่ยงเพราอมีสติเราก็ไม่ประมาทพอมีสติเราก็ไม่เตียงเ <c oughs> หมือนกันเห็นไหมตัวเดียวเท่านั้นเป็นตัวหลักสําคัญเลยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเราต้องมาใส่ใจตรงเนี้เพราะฉะนั้น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 สนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไว้บ้างธรรมะนี่ช่วยเราได้ช่วยทําให้เรานี่ไม่ประมาทในชีวิตช่วยป้องกันรักษาเวลาที่จิตใจเราเป็นทุกข์ <Yeah. S 1> เวลาว่าเป็นทุกข์เนี่ยถ้าพึ่งธรรมะเราก็เราจะแก้ปัญหาได้ไม่จะทำจะทำใจได้นยิยามที่เราทุกข์ทำใจได้คนที่ปฏิบัติทำศึกษาทำเสมอๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขไม่ได้ความสุข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 แต่เล็กๆเลยสนามเด็กเล่นผมก็คือแม่น้ําผมทํำรายแบบประมาทไอ้ว่าประมาทเนี่ยคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมีความท้าทายมากในชีวิตจะอุปสรรคนี่นนไม่ย่อท้อท้าทายชอบเล่นน้ำกระโดด น, น้ําจากลังคาลเรือลงมาในน้ํากระโดด น, น้ําลงไปแล้วก็ล้าลอดใต้ท้องเรือไปโดดโวยข้างเกาะเรือเรือพวกเนี่ยไปเกาะเรือบางทีก็ใช้เวลาเรือก็พวกกันจะมีเชือกใช่ไหม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 จนกระทั่งมารับราชการสอนเป็นครูพระลึกษาสอนอยู่ที่อ่างทองเนี่ยวิทยาลัยรักษาจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวนี้ก็เป็นสถาบันพระลึกษาแล้วสอนว่ายน้ำนะครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ทําให้เราจดจําในชีวิตจนกระทังปัจจุบั น, นสอนวิชาว่ายน้ํากระโดดน้ํำลงไปในสระว่ายน้ําสระมันมีสองด้านด้านหนึ่งคือด้านลึกอีกด้านหนึ่งคือด้านตื้น ผมไปกระโดดน้ำตรงด้านตึง้งแล้วกระโดดลงไปแล้วสองสามครั้งไม่มีปัญหาเลยนะครั้งต่อมาครั้งที่สามเนี่ยร่างกายมันเพลียแล้วมันอ่อนเพลียแล้วน่าจะหยุดน่าจะเลิกแต่ก็ไม่ยอมก็เสี่ยงกระโดดลงไปนี่เสี่ยงนะกระโดดลงไปอย่างขาดสติด้วยความประมานเนี่ยหุ่งหลาลงไปศีรษะไปกระแทกถึงพื้นเลยกระดูกต้นคอยนี่หักร่างกายส่วนล่างเนเป็นอัมพาตไปทันทีเลยเคลื่อนไหวเองไม่ได้ แล้วก็เลยเปลี่ยนชีวิตมาการเป็นคนพิการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเนี่ยมาสามสิบปีเพราะความประมาทเสียงคิดว่าเราทําได้ตั้งแตต้ น, น, ตนปลาเนี่ยที่สา ว, ว้น้ําอะไรจง ม, มีกฎมีกฎต่างๆตั้งไว้เยอะเลยแล้วก็มีสารพระภูมิเลยนะสารพภูมิของผมเลยนะเป็นสารพภูมิยังไม่ตายแต่มีสารพระภูมิเป็นสารส่วนตัวแลนะใครจะมาอาบน้ํามาเล่นน้ํา ต้องทำความเข้าใจวาสาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าสาเหตจากผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องของความกำหมาดแต่และคนเลยเกิดการระวังไม่กล้าทำเห็นไหมแล้วพอร่างกายไปนี้แล้วเนี่ยมันมันทุกข์มากมันช่วยตัวเองไม่ได้ทุกขเวทนาบีบคั้นร่างกายก็มีเยอะและทุกขทางใจก็มีมากอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากทําอะไรก็ไม่ได้บีบคั้นนะ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 คาถาพ้องกันภัยสามคำเป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำคาถานี้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะเป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำสามคำจาได้แม่นก็คือรู้ศึกตัวสามคำยากมั้สามคำนะไม่ต้องท่องนะแต่ขอให้ทำ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 หลงลืมทําให้ถูกตือตนบตกใจบางทีดูทีวีอยู่เนี่ยายไหม้คว้ารีโมทไนนด้แต่เดียวอันนี้เพราะขาดสติดังนั้น่ะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเกิดอุบัติภัยเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอื่นตั้งสติได้ก่อนพอเป็นสติแล้วเนี่ยสติก็จะช่วยจะช่วยทําให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิแก้ปัญหาเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีและก็ไม่ผิดพลาดนัะ คาถาเนี่สามความศักดิ์สิทธิ์มากให้รู้สึกตัวเนี่ยคาถาที่ต้องทาแต่ไม่ต้องท่องถ้าจะให้ดีด้วยนะให้คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเจอปัญหาเจออุบัติภัยต่างๆเนี่ยวิ่งหนีด้วยจะช่วยคาถาอย่าวิ่งหนียังมีสติเนี่ยมันช่วยคาถาได้บางคนวิ่งแบบขาดสติไปเลยกรเจกิกระเจิงไปเลยวันนี้ก็ดีๆนะเนี่ยได้มาพูดคุย